2ี่สัญโยชนะสัมปยุตตทุกะ 3. ปัจยะวาระ 1. ปัจจยานุโลม 1. วิพังขวาระเหตุ ป, ปัจจัย51สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสังโยชน์ทำสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสังโยชน์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุ ป, ปัจจัยมีสามวาระเหมือนแบบปฏิจจวาระสภาวธรรมที่วิปยุตจากสังโยชน์ ทำสภาวะธรรมที่วิปยุจจากสังโยชน์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุกปัจจัยได้แก่พึงเพิ่มข้อความจนถึงปฏิสนธิละถึงธร้ารมหาภูต ร, รูปหนึ่งคันที่วิปยุจจากสังโยชน์ทำมไัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นโมหะที่สหอรูดด้เพื่ออุทจจะรำอภั ย, ยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่สัมปยุจโ ด, ดยสังโยชน์ ทำสภาวธรรมที่วิปยุจจากสังโยชน์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่สัมปยุจด้วยสังโยชน์ทำอไัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสัมปยุจตขันทำโมหะที่สหรรคดุทัจจะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สัมปยุจด้วยสังโยชน์และที่วิปยุจจากสังโยชน์ทำสภาวธรรมที่วิปยุจจากสังโยชน์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยได้แก่ ขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์ทำอไัยวัตถ um, ุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปทำมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสัมปยุทธะขันธ์และจิตตาสมุทฐานรูปทำโมหะที่สหัรักด้วยอุทจจะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น52สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์ทำสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์และที่วิปยุทธจากสังโยชน์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย ได้แก่ขันสามทำขันหนึ่งที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์และทำหาไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละถึงทำขันสองขันสามทำขันหนึ่งและโมหะที่สหะรโคติอุทจจะไม่เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละถึงทำขันสองสภาวะธรรมที่วิปยุทธ์จากสังโยชน์ทำสภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์และที่วิปยุทธ์จากสังโยชน์ ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานะรูปทำขันที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์และทำมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปทำขันและโมหะที่สหโรโคตุทัตจัให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์และที่วิปยุจจากสังโยชน์ทำสภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์และที่วิปยุจจากสังโยชน์ ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุตกปัจจัยได้แก่ขันสามทำขันหนึ่งที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์และธรรมไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและถึงทำขันสองจิตตสมุทฐานรูปทำขันที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์และธรรมะหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันสามและจิตตสมุทฐานรูปทำขันหนึ่งและโมหะที่โสหรรคขดุทัตจะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น และถึงทำขันสองอารมณปัจจัย5สสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์ทำสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอารมณปัจจัยมีสามวาระเหมือนกับปฏิจจวาระสภาวธรรมที่วิปยุจจากสังโยชน์ทำสภาวธรรมที่วิปยุจจากสังโยชน์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอารมณปัจจัยได้ Ganz แก่ พิ่เพิ่มข้อความจนถึงปฏิสนธิขันธ์ที่วิปยุจจากสังโยชน์ธรรมทัยวัตถุให้เป็นปันจจัยเกิดขึ้นจากโควิญญาณทำจักขายาตนะให้เป็นปันจจัยเกิดขึ้นกายวิญญาณทำกายายญตนะให้เป็นปันจจัยเกิดขึ้นขันธ์ที่วิปยุจจากสังโยชน์ธรรมทยัยวัตถุให้เป็นปันจจัยเกิดขึ้นโมหะที่สหรโคติอุทจจะธรรมทยัยวัตถุให้เป็นปันจจัยเกิดขึ้น สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์ทำสภาวธรรมที่วิปปยุทธ์จากสังโยชน์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอารมณปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์ทรอภัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสัมปยุตตะขันธ์รำโมหะที่โสหรรคด้วยอุทจจะไม่เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์และที่วิปปยุทธ์จากสังโยชน์ทำสภาวธรรมที่วิปปยุทธ์จากสังโยชน์ ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอารมาณปัจจัยได้แก่ขันและโมหะที่สหรรคทอุทจจะธรรมทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นห้สาสิบสสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์ทำสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์และที่วิปยุจจากสังโยชน์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอารมาณปัจจัยได้แก่ขันสามทำขันหนึ่งที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์และธรรมทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น และถึงทำขันสองขันสามทำขันหนึ่งและโมหะที่สหรูปคดุอุทจจะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและถึงทำขันสองสภาวะธรรมที่วิปยุจจากสังโยชน์ทำสภาวะธรรมที่สัมปยุจด้วยสังโยชน์และที่วิปยุจจากสังโยชน์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอารมณปัจจัยได้แก่โมหะที่สหรูปคดุอุทจจะทำขันที่สหรูปคดุอุทจจะ และธรรมทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่สัมปยุตธ์ด้วยสังโยชน์และที่วิปยุทธ์จากสังโยชน์ทำสภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์และที่วิปยุทธ์จากสังโยชน์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอารมณะปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและโมหะทำขันธ์หนึ่งที่สรคดุทัตจะและธรรมทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละถึงทำขันธ์สอง อธิปติปัจจัยเป็นต้นห้าสิบห้าสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์ทำสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอธิปติปัจจัยละถึงเพราะอาวิคตะปัจใจหนึ่งปัจจญานุโลมสองสังคยาวาระสุทนยัยห้าสิบหกเหตุปัจใจมีเก้าวาระอรามะณปัจจใจมีเก้าวาระ มัธยปฏิปัจใจมีเก้าวาระทุกปัจจัยมีปัจจใจละ9้าวาระวิปากปจจา ร, ะาาระปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหาระปัจจใจมีเก้าวาระละถึงอวิคตะปัจใจมีเก้าวาระอนุโลมจร 2. ปัจยยปัจญจิยะหนึ่งวิพังขวาระนเหตุ ป, ปัจใจห้าสิบเสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสัมโยชน์ ทำสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะน้เหตุกปัจจัยได้แก่โมหะที่สโรคด้วยวิจิกิจฉาทำขันธ์ที่สโรคด้วยวิจิกิจฉาให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่วิปยุทธิจากสังโยชน์ทำสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะน้เหตุกปัจจัยได้แก่โมหะที่สโรคด้วยทัตจะทำขันธ์ที่สโรคด้วยทัตจะ ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นห้าสิบแสภาวธรรมที่วิปยุจจากสังโยชน์ทำสภาวธรรมที่วิปยุจจากสังโยชน์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนาเหตุก ป, ปัจจัยได้แก่และถึงทำขันหนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งวิปยุจจากสังโยชน์พึงเพิ่มข้อความจนถึงอสัญญสัตตพรมจักผูวิญญาณทำจักคลายยตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น กายวิญญาณทำกายยตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธ์ที่ไม่มีเหตุซึ่งวิปยุจจากสังโยชน์และโมหะที่สหะรโคด้วยอุทจจะธรรมทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สัมปยุจด้วยสังโยชน์ทำสภาวธรรมที่วิปยุจจากสังโยชน์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่โมหะที่สหะรโคด้วิจิกิจฉาธรรมทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น ห้าสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์ทำสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์และที่วิปยุจจากสังโยชน์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นพระในเหตถุปัจจัยได้แก่โมหะที่สหรโคด้วิจิกิจฉาทำขันที่สหโรโคด้วิจิกิจฉาและธรรมทายวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่วิปยุจจากสังโยชน์ทำสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์และที่วิปยุจจากสังโยชน์ ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะน่เหตุปัจจัยได้แก่โมหะที่โสหโรโคดุทัจจะทำขันที่สหโรโคดุทัจจะและธรรมทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นยอ่อสองปัจจยปัจจนียสองสังคยาวาระสุทไน 60. หกสิบน่เหตุปัจจัยมีหกวาระนอาอรมณ์ปัจจัยมีสามวาระ หน้าท an an ิปต any ิปัจจัยมีห <underwater> ้าวาระนอนันตระปจจัยมีสามวาระนสมณันตระปจจัยมีสามวาระนอัญญามัญญะปจจัยมีสามวาระนอุปนิสัยปัจจัยมีสามวาระน้ปุเรชาตะปัจจัยมีเจดวาระน้าปัญชาชาตะปัจจัยมีเก้าวาระนอเสวนปัจจัยมีเก้าวาระนกรรมปัจจัยมีสวาระนวิปากะปจจัยมีเก้าวาระ นอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระณอินทรียปัจจัยมีหนึ่งวาระนชานะปัจจัยมีหนึ่งวาระนมรรคปัจจัยมีหนึ่งวาระนสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระณวิปยุตตปัจจัยมีหวาระโนนัตถิปัจจัยมีสวาระโนวิคตะปัจจัยมีสมวาระ 3. ปัจจญานุโลมปัจจนยะเหตุทุกขนหกสิบเอ นาอารมณะปัจจัยกับเหตุกปัจจัยมีสามวาระนาอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระย่อพึงทำอย่างนี้สี่ปัจจยะปัจจญญานุโลมนาเหตุทุกกไนหกสิบสองอารมณะปัจจัยกับนาเหตุตุปัจจัยมีหกวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละหกวาระวิบากปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหาระปัจจัยมีหกวาระและถึง มัคคปัจจัยมีหกวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีหกวาระนิสยะวาระเหมือนกับปัจจยะวาระ2ีสสัญโยชนะสัมปยุตตะทุกะ 5. สังสัถวาระ หปัจจญานุโลมเป็นต้น 63. สภาวธรรมที่จำปยจจุบ ด, ด้วยสังโยชน์เกิดรกรวกับสภาวธรรมที่จำปยจจุบ ด, ด้วยสังโยชน์เพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามเกิดรกควกับขันหนึ่งที่สัมปยจจุบ ด, ด้วยสังโยชน์ละถึงเกิดรกรวกับขันสองสภาวธรรมที่วิปิยุจากสังโยชน์เกิดรกควกับสภาวธรรมที่วิปิยุจากสังโยชน์เพราะเหตุปจัจใจได้แก่ ขันสามเกิดรกรกขันหนึ่งที่วิปิยุจากสังโยตและถึงเกิดรกรกขันสองในปฏิสนธิขณะสภาวะธรรมที่สัมป ย, ยุด้วยสังโยตเกิดรกรกสภาวะธรรมที่วิปิยุจากสังโยชตเพราะเหตุกปัจจัยได้แก่สัมปยุตจาขันเกิดรกรกับโมหะที่สหรโกด้วยอุทจฉาสภาวะธรรมที่สัมปยุด้วยสังโยชน์เกิดรกรกสภาวะธรรมที่สัมปยุด้วยสังโยชต แะที่วิปยุตจากสังโยชน์เพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามเกิดรกรวกับขันหนึ่งและโมหะที่สหรคุดุทัจและถึงเกิดรกรวกับขันสองย่อ64เหตุตุปัจจมีสี่วาระอารมณปัจจัยมีหกวาระอธิปติปัจจัยมีสองวาระอนันตระปัจจัยมีหกวาระสมนันตระปัจจัยมีหกวาระ ปวิคตาปัจจัยมีหก ja วาระหสิบ้านัเหตุปัจจัยมีสามวาระนัอธิปติปัจจัยมีหกวาระนัปุเรชาตาปัจจัยมีหกวาระนัปชาชาตาปัจจัยมีหกวาระนัอาศัยวะปัจจัยมีหกวาระนักรรมปัจจัยมีสี่วาระนัวิปากปัจจัยมีหกวาระนัชานะปัจจัยมีหนึ่งวาระนัมข้าปัจจัยมีหนึ่งวาระ ณนะวิปยุตตาปัจจัยมีหกวาระพึงเพิ่มการ น, นับสองอย่างนอกนี้และสัมปยุตตาวาระ22สัญโยชนะสัมปยุตตทุกะเจปัญหาวาระหนึ่งปัจจญานุโลมหนึ่งวิพังขวาระเหตุ ป, ปัจจัยหกสิบสภาวธรรมที่สัมปยุต ด, ด้วยสังโยตเป็นปัจจัยแค่สภาวธรรมที่สัมปยุต ด, ด้วยสังโยตโดยเหตุปัจจัยได้แก่ เหตุที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่สัมปยุทธะขันธ์โดยเหตุกปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุจจากสังโยชน์โดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่จิตแตสมุทฐานรูปโดยเหตุกปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์และที่วิปยุจจากสังโยชน์ โดยเหตุตกปัจจัยได้แก่เหตุที่ส <crack> <lui> <l oss am Dreams> ัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่สัมปยุทธะขันธ์และจิตตสมุทฐานรูปโดยเหตุตกปัจจัย 67. สภาวธรรมที่วิปิวจักสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปิวจักสังโยชน์โดยเหตุตกปัจจัยได้แก่เหตุที่วิปิวจักสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่สัมปยุทธะขันธ์และจิตตสมุทฐานรูปโดยเหตุตกปัจจัย โมหะที่จะหัรักขดุทัตจะเป็นปัจจัยแก่จิตตะสมุทฐานรูปโดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่วิปิยุจากสังโยชตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่จำปิยุทธ์ด้วยสังโยชตโดยเหตุปัจจัยได้แก่โมหะที่จะหัรคกอุทัตจะเป็นปัจจัยแก่จำปิยุทธะขันโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่วิปิยุจากสังโยชต เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตธ์ด้วยสังโยชน์และที่วิปยุทธ์จากสังโยชน์โดยเหตุตุปัจจัยได้แก่โมหะที่สหรควดูอุทะจะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุทธตะขันและจิตตสมุทฐานรูปโดยเหตุตุปัจจัยอารามณปัจจัย68สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์โดยอารามณปัจจัยได้แก่ เพราะปรารกขันที่สัมบยุทธด้วยสังโยชน์ขันที่สัมบยุทธด้วยสังโยชน์จึงเกิดขึ้นพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลเพราะปรารกขันที่สัมบยุทธ์ด้วยสังโยชน์ขันและโมหะที่วิปิยุจจากสังโยชน์จึงเกิดขึ้นพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลเพราะปรารกขันที่สัมบยุทธ์ด้วยสังโยชน์ขันและโมหะที่สหรฆด้วยอุทะจะจึงเกิดขึ้น69สภาวธรรมที่วิปิยุจจากสังโยชน์ เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปิยุจักสังโย์โดยอารมณะปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถและพิจารณากุศล น, นั้นพิจารณาคุศลที่เคยสังสมไว้ดีแล้วออกจากฌานแล้วพิจารณาฌานพระอริยะออกจากมรรคแล้วพิจารณามรรคพิจารณาผลพิจารณานิพพานนิพพานเป็นปัจจัยแก่โคตรภูโวโานมรรคผลและอวัชนะจิต โดยอารมณปัจจัยพระอริยะพิจารณากิเลสที่วิปยุจากสังโยชน์ซึ่งละได้แล้วพิจารณากิเลสที่ขมได้แล้วรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้นบุคคลเห็นแจ้งจากสุหาไทยวัตถุขันและโมหะที่วิปยุจากสังโยชน์โดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเห็นรูปด้วยที่ประจักขุฟังเสียงด้วยที่ประโสตทาตุรู้จิต ข, ของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่วิปยุจากสังโยชน์ ด้วยเจโตปริยญาณอากาสารัญชายตนะเป็นปัจจัยแห่วิญญาณนัญชายตนะรูปลายตนะและถึงโพธปลายตนะขันธ์ที่วิบยุตจากสังโยชน์เป็นปัจจัยแหนะนะ่ ง, นะงจจอิทธิวิทยานเจโตปริยญาณภูเพนิวาสานุสติญาณยถากระมูปักขยานอนาคตกังสายานอาวัชนาจิตและโมหะโดยอารมณ์ปัจจัย สภาวธรรมที่วิปยุจจากสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุจด้วยสังโยชน์โดยรมณะปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีล ร, รักษาอุโบสถพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้วออกจากฌานแล้วพิจรารณาฌานและถึงยินดีเพลิดเพลินจากสุขหาไทยวัตถุขันและโมหะที่วิปยุจจากสังโยชน์เพราะปรารกความยินดีเพลิดเพลินจากสุขเป็นต้นนั้น ราคะจึงเกิดขึ้นโทมาัะจึงเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่วิปิวจักสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์และที่วิปิวจักสังโยชน์โดยอารมณปัจจัยได้แก่เพราะปราบรบจากสุหาไทยวัตถุขันและโมหะที่วิปิวจักสังโยชน์ขันและโมหะที่สหโรคด้วยอุทจจะจึงเกิดขึ้น 70. สภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์ และที่วิปยุจจากสังโยชน์เป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่สัมปยุจด้วยสังโยชน์โดยระมณปัจจัยได้แก่เพราะปรารกขันและโมหะที่โสรโคตด้วยอุทจจะขันที่สัมปยุจด้วยสังโยชน์จึงเกิดขึ้นพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลเพราะปรารกขันและโมหะที่สสรโคตด้วยอุทจจะขันและโมหะที่วิปยุจจากสังโยชน์จึงเกิดขึ้นพึงเพิ่มบทที่เป็นมูล เพราะปรารกขันและโมหะที่สหรักโขดุอุทะจะขันและโมหะที่สหรักโขดุอุทะจะจึงเกิดขึ้นอาทิปติปัจจัยเจ็สภาวธรรมที่สัมพยุ ด, ด้วยสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมพยุ ด, ด้วยสังโยชน์โดยอธิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมนาธิปติและสหชาตาธิปติอารมนาทิปติได้แก่บุคคลยินดีเพลิดเพลินราคะทิฏฐิ ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทําความยินดีเพลิดเพลินราคะเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นสหชาตาธิปติได้แก่อธิปฎิธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์เป็นปัจจัยแห่สัมปยุทธ์ตขันโดยอธิปติปัจจัยสภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์เป็นปัจจัยแห่สภาวะธรรมที่วิปยุทธ์จากสังโยชน์โดยธิปติปัจจัยมีอย่างเดียว คือสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่จิตแต่สมุทฐานรูปโดยธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์และที่วิปยุทธจากสังโยชน์โดยธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคือสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่สัมปยุทธจักขันธ์ และจิตตสมุทฐานรูปโดยทิ ป, ปติปัจจัย 72. สภาวะธรรมที่วิปยุจากสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่วิปยุจากสังโยชน์โดยทิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณาธิปติและสัชาตาธิปติอารมณาธิปติได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศรรีลรักษาอุโบสถและพิจารณากุศล น, นั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น พิจารณากุศลที่เคยสังส颂ไว้ดีแล้วออกจากฌานพระอริยะออกจากมรรคพิจารณาผลพิจารณานิพพานนิพพานเป็นปัจจัยแก่โคตรภูวโอธานมรรคและผลโดยธิปฏิปฏัจจัยสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่วิปยุจจากสังโยชนเป็นปัจจัยแก่สัมปยุจตขันและจิตตสมุทฐานรูปโดยธิปฏิปัจจัย สภาวธรรมที่วิปยุจจากสังโยชน์เป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่สัมปยุจ ด, ด้วยสังโยชน์โดยธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารมณนาธิปติได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถแล้วยินดียเพลเพลงกุศล น, นั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำความยินดียเพลเพลิงกุศลนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้น ยินดีเพลิดเพลินกุศลที่เคยสังสมไว้ดีแล้วออกจากฌานยินดีเพลิดเพลินจากสุอหไทยวัตถุขันธ์ที่วิปยุจฉับสังโยชน์ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทําความยินดีเพลิเพลินจากสุเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นทิฐิจึงเกิดขึ้นอนันตระปัจจัยเจสภาวธรรมที่สัมปยุจ ด, ด้วยสังโยช์ เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์โดยอนันตระปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์ซึ่งเกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์ซึ่งเกิดหลังๆโดยอนันตระปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด <Eleven> ้วยสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปิยุจจากสังโยชน์โดยอนันตระปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่สหรคดุยอุทจฉะซึ่งเกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่โมหะที่โสหรรคอุถจจะซึ่งเกิดหลังๆโดยอนันตรปัจจัยขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่วุทฐานะโดยอนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์และที่วิปยุทธจากสังโยชน์โดยอนันตรปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่สหรรคดุถัจจะซึ่งเกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแก่ขันธ์และโมหะ ที่สโสระโคตอุทัจะซึ่งเกิดหลังๆโดยอนันตรปัจจัย 74. สภาวธรรมที่วิปยุจจากสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุจจากสังโยชน์โดยอนันตรปัจจัยได้แก่โมหะที่สโสระโคตอุทัจะซึ่งเกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแก่โมหะที่โสระโคตุอุทัจะซึ่งเกิดหลังๆโดยอนันตระปัจจัยขันธ์ที่วิปยุจจากสังโยชน์ซึ่งเกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่วิบียุติจากสังโยชน์ซึ่งเกิดหลังๆและถึงพระสมมาบัติโดยอนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่วิบียุติจากสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุติด้วยสังโยชน์โดยอนันตรปัจจัยได้แก่โมหะที่สหรคโคดุทัตจะซึ่งเกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สหรคโคดุทัตจะซึ่งเกิดหลังๆโดยอนันตรปัจจัยอาวชนะจิต เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สัมปยุดด้วยสังโยชน์โดยอนันตรปัจจัยสภาวะธรรมที่วิปยุจจากสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่สัมปยุดด้วยสังโยชน์และที่วิปยุจจากสังโยชน์โดยอนันตรปัจจัยได้แก่โมหะที่สหรคคติอุทจจะซึ่งเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์และโมหะที่สหรคโคตอุทจจะซึ่งเกิดหลังโดยอนันตระปัจจัยอ า, าวัชนะจิต เป็นปัจจัยแก่ขันและโมหะที่สหะรคตอุทัตจัโดยอนันตระปัจจัย75สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์และที่วิปยุทธ์จากสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์โดยอนันตระปัจจัยได้แก่ขันและโมหะที่สหะรคดุทัตจัซึ่งเกิดกลองก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันที่สหรคดุทัตจัซึ่งเกิดหลังๆโดยอนันตรปัจจัย สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์และที่วิปยุทธ์จากสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุทธ์จากสังโยชน์โดยอนันตรัปัจจัยได้แก่ขันและโมหะที่สรคตด้วยอุทจจะซึ่งเกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแก่โมหะที่สหคตด้วยอุทจจะซึ่งเกิดหลังๆโดยอนันตรัปัจจัยขันและโมหะที่สหรตด้วยอุทจจะเป็นปัจจัยแก่วุานะโดยอนันตระปัจจัย สภาวธรรมที่สัมปะยุด้วยสังโยชน์และที่วิปยุจจากสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุด้วยสังโยชน์และที่วิปยุจจากใใสังโยชน์โดยนันตรปัจจัยได้แก่ขันและโมหะที่โสหรโคตยอุทะจะซึ่งเกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแก่ขันและโมหะที่สหรโคตุอุทะจะซึ่งเกิดหลังๆโดยนันตระปัจจัยสมนันตระปัจจัยเป็นต้น76สภาวธรรมที่สัมปะยุด้ว ย, ยส <kto> ยังโยชน์ เป็นปัจจัยแข่สภาวธรรมที่สัมปะยุทธ์ด้วยสังโยชน์โดยอนันตรปัจจัยเมีก้าวาระเป็นปัจจัยโดยสหชาตะปัจจัยเมีก้าวาระเป็นปัจจัยโดยอัญญามัญญปัจจัยเมีหกวาระเป็นปัจจัยโดยนิสยะปัจจัยเมีก้าวาระอุปาิสยะปัจจัยเจสสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์เป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่สัมปะยุทธ์ด้วยสังโยชน์ โดยอุปาณิสยปัจจัยมีสามอย่างคืออาราโมปาณิสยอนันตารูปาณิสยาและปะกะตูปาณิสยาปะกะตูปาณิสยาได้แก่ขันธ์ที่สัมปะยุดด้วยสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สัมปยุดด้วยสังโยชน์โดยอุปาณิสยปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุดด้วยสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุจจากสังโยชน์โดยอุปาณิสยปัจจัยมีสองอย่างคืออนันตรูปาณิสย และปะกตป ะ, hey ปะกตูปะนิสยะปะกะตูปะนิสยะได้แก่ขันธ์ที่สัมปะยุด้วยสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่ขันธ์และโมหะที่วิปปะยุจากสังโยชน์โดยอุปาณิสยาปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุด้วยสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุด้วยสังโยชน์และที่วิปปะยุจากสังโยชน์โดยอุปาณิสยาปัจจัยมีสองอย่างคื่อนนันตารูปะนิสยาและปกะตูปะนิสยาปะกะตูปะนิสยะได้แ <lly> ก่ ขันธ์ที่สัมปยุจ ด, ด้วยสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่ขันธ์และโมหะที่สรควัตุอุทจจะโดยอุปาณิสยาปัจจัย78สภาวธรรมที่วิปยุจจากสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุจจากสังโยชน์โดยอุปาณิสยาปัจจัยมีสามอย่างคืออารามณูปนิสยอาอนันตารูปานิสยาและปกระโตปนิสยาปกระโตปานิสย า, ายได้แก่บุคคลนา่าใสศรัทธาแล้วให้ทาน ทำสมาบัติให้เกิดขึ้นอาศัยศีลปัญญาสุขทางกายทุกทางกายวุตุโภชนะเสนาสนะและโมหะแล้วให้ทานทำสมาบัติให้เกิดขึ้นศรัทธาเสนาสนะและโมหะเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาพระสมาบัติและโมหะโดยอุปาินสยาปัจจัยสภาวะธรรมที่วิบิยุจากสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่สัมปยุจ ด, ด้วยสังโยชน์ ดูอุปานินสยปัจจัยมีสามอย่างคืออารมณูปนินสยาอันันตรูปนินสยและปกะตูปะเนสยาปะกะตูปะินสยาได้แก่บุคคลอาศัศรัทธาแล้วมีมา n ะเถอทิฏฐิอาศัยศีลปัญญาสุขทางกายทุกข์ทางกายอูตุโภชนะเสนาสนะและโมหะแล้วฆ่าสัตว์ทำลายสงฆ์ศรัทธาเสนาสนะและโมหะเป็นปัจจัยแ่ราคะ ความปรารถนาโดยอุปาินสยาปัจจัยสภาวธรรมที่วิปยุจจากสังโยชน์เป็นปัจจัยแข่สภาวธรรมที่สัมปยุจ ด, ด้วยสังโยชน์และที่วิปยุจจากสังโยชน์โดยอุปาินสยาปัจจัยมีสองอย่างคือนันตารูปาปนิสยาและปกะตูปนิสยาปกะตูปนิส ย, ยะได้แก่ศรัทธาปัญญาสุขทางกายเสนาสนะและโมหะเป็นปัจจัยแข่ขันและโมหะที่สหรคดุทัตจั โดยอุปาณิสยปัจจัย79สภาวธรรมที่สัมปยุดด้วยสังโยชน์และที่วิปยุจจากสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุดด้วยสังโยชน์โดยอุปาณิสยปัจจัยมีสองอย่างเคลื่อนันตารูปาปปนิสยาและปะกาโตปา น, นิสยาปกาโตปานิสยาได้แก่ขันลและโมหะที่สหรคดอุทจจะเป็นปัจจัยแก่ขันที่สัมปยุดด้วยสังโยชน์โดยอุปาณิสยปัจจัย สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์และที่วิปยุทธ์จากสังโยชน์เป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่วิปยุทธ์จากสังโยชน์โดยอุปาณิสยปัจจัยมีสองอย่างคือนันตารูปปาิสยาและปะกระตูปาปาิสยาปกรตูปะนิสยาได้แก่ขันและโมหะที่สาะหโรคด้วยอุทจจะเป็นปัจจัยแห่ขันและโมหะที่วิปยุทธ์จากสังโยชน์โดยอุปาณิยสย ป, ยปัจจัย สภาวธรรม ท, ที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์และทวิปิยุจจากสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์และทวิปยุจจากสังโยชน์โดยอุปนิสัยปัจจัยมีสองอย่างคืออนันตารูปนิสัยและปะกะตูปนิสัยปะกะตูปนิสัยได้แก่ขันและโมหะที่สหรคดุอุทจจะเป็นปัจจัยแก่ขันและโมหะที่สหรคดุอุทจจะโดยอุปนิสัยปัจจัย ปุเรชาตปัจจัย80สภาวธรรมที่วิปยุจจากสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุจจากสังโยชน์โดยปุเรชาติปัจจัยมีสองอย่างคืออรมณะปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอารมณะปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจักสุอาไทยวัตถุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเห็นรูปด้วยที่ปัะจักขุฟังเสียงด้วยที่ประโสงค์ธาตรุรูปายตนะ เป็นปัจจัยแก่จกักรวิญญาณโพธพายณจจาณะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณวัตถุปุเรชาตะได้แก่จักขรญตนะเป็นปัจจัยแก่จักรวิญญาณกายายาณะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันและโมหะที่วิปิยุจากสงังโยชน์โดยปุเรชาตปัจจัยสภาวธรรมที่วิปิยุจากสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์ โดยปุเรชาติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณบุเรชาตะและวัตถุบุเรชาตะอารมณบุเรชาตะได้แก่บุคคลยินดีเพลิดเพลินจากสุหาไทยวัตถุความปรารถนาความยินดีเพลิดเพลินจากสุเป็นต้นนั้นราคาจะจึงเกิดขึ้นโทมณะจึงเกิดขึ้นวัตถุบุเรชาตะได้แก่หาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ข็งที่สัมปยุด้วยสังโยชน์โดยปุเรชาติปัจจัย สภาวธรรมที่วิป ย, จยปปุจจากสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุจ ด, ด้วยสังโยชน์และที่วิป ย, จ ย, ยปปุจจากสังโยชน์โดยปุเรชาติปัจจัยมีสองอย่างคืออรมณะปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอรารมณปุเรชาตะได้แก่เพราะปรากฏจากสุขหาไทยวัตถุขันและโมหะที่สหรคตอุทะจะจึงเกิดขึ้นวัตถุปุเรชาตะได้แก่หาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันและโมหะ ทีสหรคปดูทัจโดยปเรชาตะปัจจัยปัจฉาชาตะปัจจัย8สอสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุทธจากสังโยชน์โดยปัจฉาชาตะปัจจัยได้แก่ขันธ <maybe. S 2> ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์ซึ่งเกิดภายหลังเป็นปัจจัยแก่กายนิที่เกิดก่อนโดยปัจฉาชาตะปัจจัยสภาวธรรมที่วิปยุทธจากสังโยชน์ เป็นปัจจัยแกส่สภาวธรรมที่วิปยุจจากสังโยชน์โดยปัจฉาชาตะปัจจัยได้แก่ขันและโมหะที่วิปยุจจากสังโยชน์ซึ่งเกิดภายหลังเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยปัจฉาชาตะปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุจด้วยสังโยชน์และที่วิปยุจจากสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุจจากสังโยชน์โดยปัจฉาชาติปัจจัยได้แก่ขันและโมหะที่สหรคดด้วยอุทจฉะ ซึ่งเกิดภายหลังเป็นปัจจัยแก่กายนิที่เกิดก่อนโดยปัจฉาชาตะปัจจัยอเจวนัปัจจัยสิสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสังยโยชน์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตธ์ด้วยสังโยชน์โดยอเจวะนัปัจเมฆาวาระอาวัชนะจิตและวุธานะไม่มีกรรมะปัจจัย83สภ า, าวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสังยโยชน์ เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปะยุดด้วยสังโยชน์โดยกวมมปัจจัยได้แก่เจตนาที่สัมปยุดด้วยสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สัมปยุดด้วยสังโยชน์โดยกวมมปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุดด้วยสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุจจากสังโยชน์โดยกวมมปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคณิกะสหชาตะได้แก่เจตนาที่สัมปยุดด้วยสังโยชน์ เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยความมปัจจัยเจตนาที่โสโรโกเทอุทจจะเป็นปัจจัยแก่โมหะและจิตตสมุทฐานรูปโดยความมปัจจ oh ัยนานาคณิรกะได้แก่เจตนาที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นวิบากและขตัตารูปโดยความมปัจจัยสภาวธรรมที่จำปยุทธ์ด้วยสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่จำปยุทธ์ด้วยสังโยชน์ และทวิปยุจากสังโยชน์โดยกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่สัมปยุจด้วยสังโยต์เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันและจิตตสมุทฐานรูปโดยกรรมปัจจัยเจตนาที่โสรควัตุทจะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันโมหะและจิตตสมุทฐานรูปโดยกรมมปัจจัยสภาวธรรมที่วิปยุจากสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุจากสังโยต์โดยกรมมปัจจัยมีสองอย่าง เพชาชาตะและนานาคณิกะสหาชาตะได้แก่เจตนาที่วิปยุจจากสองโยชน์เป็นปัจจัยแก่สำปรยุติขันและจิตตสมุทฐานรูปโดยกรรมปัจจัยในปฏิสนธิขณะนานาคเนกะได้แก่เจตนาที่วิปยุจจากสองโยต์เป็นปัจจัยแก่ขันที่เป็นวิปากและกัตตารูปโดยกรรมปัจจัยวิปากะปัจจัยแปสิบสี่ สภาวธรรมที่วิปยุจจากสังโยชน์เป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่วิปยุจจากสังโยชน์โดยวิปากับปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยเป็นต้น8ปสห้าสภาวธรรมที่สัมปยุจด้วยสังโยชน์เป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมทีสสส่ส Young ัมปยุจด้วยสังโยชน์โดยอาหารปัจจัยมีสี่วาระเป็นปัจจัยโดยอินทรียปัจจัยมีสี่วาระเป็นปัจจัยโดยชานะปัจจัยมีสี่วาระ เป็นปัจจัยโดยมัคคะปัจจัยมีสี่วาระเป็นปัจจัยโดยสัมปยุตตปัจจัยมีหกวาระวิ <femme> ปยุตตะปัจปจัยแปสหสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากสังโยชน์โดยวิปยุตตะปัจจัยมีสองอย่างคือชหชาตะและปัจชาชาตะย่อสภาวธรรมที่วิปยุตจากสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากสังโยชน์ โดยวิบยุตตปัจจัยมีสามอย่างคือสหชาตะโบเรชาตะและปัจฉาชาตะย่อสภาวธรรมที่วิบยุตจากสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุต ด, ด้วยสังโยชน์โดยวิบยุตตปัจจั ย, ยจมีอย่างเดียวคือโบเรชาตะได้แก่หัวใจวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันที่สัมปยุต ด, ด้วยสังโยชน์โดยวิบยุตตะปัจจัยสภาวธรรมที่วิบยุตจากสงังโยชน์ เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุด้วยสังโยชน์และทวิปยุจจากสังโยชน์โดยวิปิยุจจปัจจัยมีอย่างเดียวคือปุเรชาตะได้แก่หัวใวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันและโมหะที่สหรฆโคดุอุทจจะโดยวิปิยุจจาปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุด้วยสังโยชน์และทวิปิยุจจากสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปิยุจจากสังโยชน์โดยวิปิยุจจาปัจจัยมีสองอย่าง เพรชาชาตและปัจฉาชาตะย่ออธิปัจัยเป็นต้น87สภาวธรรมที่สัมยุญด้วยสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมยุญด้วยสังโยชน์โดยอธิปัจัยมีหนึ่งวาระเหมือนกับปฏิจจวาระสภาวธรรมที่สัมยุญด้วยสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุจจากสังโยชน์โดยอธิปัจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปัจฉาชาตะ สหัาตาได้แก่ขันธ์ที่สัมบยุทธ์ด้วยสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่จิตตสัมมุทฐานรูปโดยอธิปัจจัยขันธ์ที่สรคดุทจจะเป็นปัจจ yeah. ัยแก่โมหะและจิตตสมุทฐานรูปโดยอัติปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่สัมบยุทธ์ด้วยสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่กายนิจที่เกิดพรโดยอัติปัจจัยสภาวธรรมที่สัมบยุทธ์ด้วยสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมบยุทธด้วยสังโยชน์ และที่วิปยุจจากสังโยดโดยอธิปัจจัยได้แก่ขันหนึ่งที่สัมปยุจ ด, ด้วยสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่ขันสามและจิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปัจจัยและถึงขันสองขันหนึ่งที่สหรโครตด้วยอุทจจะเป็นปัจจัยแก่ขันสามโมหะและจิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปัจจัยแ8ดสภาวธรรมที่วิปยุจจากสังโยชน์ เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุจจากสังโยชน์โดยอธิปัจจัยมีห้าอย่างคือสหชาตะปุเรชาตะปัจฉาชาต ะ, าต ะ, าตะอาหาระและอินทริยะยอ่อพึงขยายให้พิสดารสภาวธรรมที่วิปยุจจากสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่จัมปยุจ ด, ด้วยสังโยชน์โดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหาชาตะและปุเร ช, ชาตะสหาชาตะได้แก่ โมหะที่โสหรรคดุถัจจะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุจจขันโดยอธิปัจจัยปุเรชาตะได้แก่บุคคลยินดีเพลเพลินจากสุหาไทยวัตถุเพราะปรารุความยินดีเพลเพลินจากสุเป็นต้นนั้นราคาจึงเกิดขึ้นโทมนัจจึงเกิดขึ้นหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแขัขนที่สัมปยุจด้วยสังโยชนโดยอธิปัจจัยสภาวะธรรมที่วิปยุจจากสังโยชน์ เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมพยุดด้วยสองโยต์และเทวิปยุจจากสองโยชน์โดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหาชาตะและปุเรชาตะสหาชาตะได้แก่โมหะที่สหรโคด้วยอุทจจะเป็นปัจจัยแก่สัมพยุตตะขันและจิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปัจจัยปุเรชาติได้แก่เพราะปรารุจากสุหาไทยวัตถุขันเลโมหะที่สหรโคดูอุทจจะจึงเกิดขึ้นหาทยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันและโมหะที่สหรคาควดด้วยอุทะจะโดยอธิปัจจัย89สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์และที่วิ ป, ป, ปจจ ย, ทป ย, ย, ย, ยุทธ จ, จากสาาัสาานนสงโยชน์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์โดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและบุเรชาตะสหชาตะได้แก่ขันหนึ่งที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์และหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันสามโดยอธิปัจจัย ละถึงขันธ์สองขันธ์หนึ่งและโมหะที่โสหรโคดุท จ, จะเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สามโดยอธิปัจจัยละถึงขันธ์สองสภาวธรรมที่สัมยุญด้วยสังโยชน์และที่วิปิยุจากสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปิยุจากสังโยชน์โดยอธิปัจจัยมีห้าอย่างคือสหชาติปเรชาตะปัจฉาชาตะอาหาระและอินทรียะสหชาตะได้แก่ ขันและโมหะที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์และมหาปูตรูปเป็นปัจจัยแก่จิตแต่สมุทฐานรูปโดยอธิปัจจัยขันและโมหะที่สหรควด้วยอุทจจะเป็นปัจจัยแก่จิตแต่สมุทฐานรูปโดยอธิปัจจัยขันที่สหรควด้วยอุทจจะและหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่โมหะโดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันและโมหะที่สหรควด้วยอุทัจจะ เป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยอธิปัจจัยปัจฉาชาติได้แก่ขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์และโกลิงการาหานเป็นปัจจัยแก่กายนี้โดยอธิปัจจัยปัจฉาชาติได้แก่ขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์และรูปปัจจิวิตินทรีย์เป็นปัจจัยแก่กัตตารูปโดยอธิปัจจัยสภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์และที่วิปยุทธ์จากสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์ และที่วิปยุจจากสังโยชน์โดยอธิปัจใจมีสองอย่างคือสหชาตะและบุเรชาตะสหชาตะได้แก่ขันหนึ่งและโมหะที่สหรรคด้วยอุทจจะเป็นปัจจัยแก่ขันสามและจิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปัจใจละถึงขันสองสหชาตะได้แก่ขันหนึ่งที่สหรรคด้วยอุทจจะและหทายวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันสามและโมหะโดยอธิปัจใจ และถึงขันสองเป็นปัจจัยโดยนาถิปัจจัยเป็นปัจจัยโดยวิคตาปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอวิคตปัจจหนึ่งปัจจญานุโลมสองสังขยาวาระสุทไนยเกสเฮตุปัจจัยมีหกวาระพรรมณะปัจใจมีเก้าวาระอธิปฏิปัจจัยมีห้าวาระอนันตระปัจใจมีเก้าวาระ สมณันตระปัจจัยมีเก้าวาระสหชาตะปัจจัยมีเก้าวาระอัญญามัญญปัจจัยมีหกวาระนิสยปัจจัยมีเ้าวาระอุปานิสยปัจจัยมีเก้าวาระปุเรชาตะปัจจัยมีสามวาระปัจฉาชาตะปัจจัยมีสามวาระอาเศวณปัจจัยมีเก้าวาระกรรมปัจจัยมีสี่วาระวิปัสปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยมีสี่วาระ อินทริยปัจจัยมีสวาระชานะปัจจัยมีสวาระมรรคปัจจัยมีสวาระสัมปยุตตปัจจัยมีหกวาระวิปยุตตปัจจัยมีห้าวาระอาติปัจจัยมีเ้าวาระนัตติปัจจัยมีเ้าวาระวิคตาปัจจัยมีเ้าวาระอวิคตาปัจจัยมีเ้าวาระอนุโลมจบ 2. ปัจจียุทธะ9๑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 เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์และที่วิปยุธ์จากสังโยชน์โดยระมณปัจจัยสหชาตะปัจจัยและอุปาณิสยปัจจัย 92. สภาวธรรมที่วิปยุทธ์จากสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุทธ์จากสังโยชน์โดยระมณปัจจัยสหชาตะปัจจัยอุปาณิสยปัจจัยโเรชาตาปัจจัยปัจฉาชาตะปัจจัยกรรมะปัจจัย อ, อาหารปัจจัยและอินทริยปัจจัยสภาวธรรมที่วิปยุจจากสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุญตด้วยสังโยชน์โดยรมณะปัจ mm จัยสหชาตปัจจัยอุปนิสัยปัจจัยและปุเรชาตปัจจัยสภาวธรรมที่วิปยุจจากสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุติด้วยสังโยชน์และที่วิปยุจจากสังโยชน์โดยรมณปัจจัยสหชาตปัจจัย อุปาินสยปัจจัยและปุเรชาติปัจจัย 9. กสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์และที่วิปิยุจจากสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์โดยรามณะปัจจัยสหชาติปัจจัยและอุปาินสยปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์และที่วิปิยุจจากสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปิยุจจากสังโยชน์โดยรามณะปัจจัย สหชาติปัจจัยอุปาเนสยปัจจัยและปัจฉาชาติปัจจัยสภาวธรรมที่สัมบัญญัตด้วยสังโยชน์และที่วิปยุจากสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมบัญญตด้วยสังโยชน์และที่วิปยุจากสังโยชน์โดยระมณปัจจัยสหชาติปัจจัยและอุปาเนสยปัจจัย 2. ปัจญยปัจจเนยะสสังคยาวาระ94นเหตุปัจจัยหนึ่งก้าวาระ นอารามณปัจจัยมีเก้าวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละเก้าวาระโนวิคตะปัจจัยมี9้าวาระโนวิคตะปัจจใจมีเก้าวาระสปัจจญานุโลมปัจจน่ยะเหตุทุกขกันในเก้าิบห้นอารามณปัจใจกับเหตุปัจจัยมีหกวาระละถึงณสมณันตระปัจจัยมีหกวาระณอัญญามัญญาปัจจัยมีสองวาระ ณอุปาณิสยปัจจใจขปเถตุปัจจัยมีหกวาระละถึงนมัคคปัจจัยมีหวาระณสัมบยุตตปัจจัยมีสองวาระณวิปยุตตปัจจัยมีสมวาระโนนาทิปัจจัยมีหกวาระโนวิคตาปัจจัยมีหกวาระ 4. ปัจจยะปัจญิยานุโลม96้าสิบรมณะปัจใจขปนาเหตกปัจจัยมี9้าวาระอธิปติปัจจัยมีหวาระ พึงน้าบทที่เป็นอนุโลมเอวิคตาปั จ, จใจมิกล่าววาระสัญโยชนะสัมปยุตตาทุกกะจบ